ทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของปุพานิมิต์แห่งมัชฌิมาปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์มครรคในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นขั้นเริ่มแรกในภาคของการศึกษาฉันได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมคำว่าศิกขาศิกขาเนี่ยหรือการศึกษาเนี่ยกับคาว่าปฏิบัติเนี่ยคเดียวกันมคาเดียวกันหรือไม่คาเดียวกัน อาทบทวนนิดนึงศึกษาแปลว่าพอะไรเอ๋ไปเป็นะไรายางยางสถานว่าศึกษานี่หมายถึ ง, งพอะไรศึกษาในการเรียนเนี่ยเดียวกันไหมมันต่อเนื่อง ก, ก, กั น, นครับศิกษานี่เป็นภาษาบาลีเนาะ ถ้าพูดเป็นภาษาไทยที่เรารู้กันเราได้เห็นกันก็คือศึกษาใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าแล้วศิกษาเนี่ยมันรวมทั้งการเรียนรวมทั้งการปฏิบัติด้วยไหมรวมหรือไม่รวมคาว่าศึกษาเนี่ยรวมใช่ไหมเออตรงเนี้ยเอาให้ชัดกันเนละตรงเนี้ยนะ ภาษาไทยพอมาใช้คําว่าศึกษามันก็เลยกลายเป็นว่ามานั่งเรียนอย่างเดียวไม่ได้ขับเน้นลงสู่ภาคของการปฏิบัติแต่คําว่าศึกษานี่แปลว่าอะไรในะการศึกษาการสำเนียกการเรียนการฝึกผลปฏิบัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจและการฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตนหรือทําให้เกิดให้มีขึ้นตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาดียิ่งขึ้นไปจนถึงเข้าถึงความสมบูรณ์เลยนะี้ ข้อปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาบุคคลก็เรียกสิกขาก็มี3อย่างใช่มหนึ่อาทิศีและสิกขาสิกขาคือศีนันยิ่งอาทิศีลเนี่ยอันเป็นข้อที่จะต้องศึกษาและข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาศีลอย่างสูงตั้งแต่ศีล8ศีลศีลห้ศีลแศีลสศีลสองี่สิบที่เป็นปลาจิโมกสังวรศีลเป็นอาทิศีลเนี่ยแต่ศีล5ศีล8ศีลสิเป็นต้นเนี่ยนะการรักษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เป็นเครื่องหนุน ในการที่จะออกจากวัตฏะถึงจะเป็นอธิศีนถ้าศีลนั้นไม่เป็นเครื่องหนุนในการที่จะนําตนเองออกจากวัตฏะออกจากสังสารวัฏเป็นอธิศีนได้ไหมได้หรือไม่ได้เออเนี่ยสออาทิตย์จิตตศิกขาศึกศึกษาศิกขาคือจิตอันยิ่งเป็นข้อที่ต้องศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตให้มีสมาธิเป็นต้นอย่างสูงก็คือกุศลจิตทั้งหลายจนถึงสมาบัติ8เป็นจิตนี ทีนี้ฌานสมาบัติที่เป็นบาทของวิปัสสนานะีถึงจะเป็นอธิจิตแต่สมาบัติ8เนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจมุ่งให้เป็นเครื่องหนุนออกจากสังสารวัฏออกจากวัฏะนั่นแหละถึงจะเป็นอธิจิตอธิปัญญาสิกขาก็คือสิกขาคือปัญญาอันยิ่งอธิปัญญาเป็นข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมพัฒนาปัญญาอย่างสูงเลยความรู้ความเข้าใจหลักเหตุผลถูกต้องอย่างสามัญ เริ่มตั้งแต่กรรมสักตาสัมมาทิฏฐินั่นแหละรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อวานที่พูดไปแล้วจนถึงวิปัสนาสัมมาทิฏฐิจนเป็นพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ไล่ไปตามลาดับรู้เข้าใจเป็นต้นเหล่านี้จนสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้กล้าไปในอริยมรรคนั่นแหละเป็นอธิปัญญาสิกขาเป็นต้นนี่เข้าใจตรงนี้ให้ชัดนะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยนะระบบ ก, การศึกษาเนี่ยในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องทั้ง เรียนและการปฏิบัติไปจนถึงนั่นน่ปฏิเวท้าเลยทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเลยรวมเป็นเสร็จเนี่ยเป็นเข้าอยู่ในกระบวนการศึกษาทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งสขั้นตอนนี้ทีนี้เอาในพระไตรปิฎกท่านแสดงหลักการเสริมที่จะเป็นให้ทำให้สมาธิเกิดขึ้นพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของสมาธิมีมี2ประการ2ประการคือหนึ่ง ประโตโขสะสองโยนิโสมนัสิการอะไรคือปเ ร, ระโตโขสะเสียงจากผู้อื่นการกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกโอหอันนี้เยอะมากเลยการฟังเอ่ยมีครูมีกัญยาณมิตรตลอดถึงสื่อข้อมูลสื่อสารข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเอื้อต่อการที่จะปึกปดพัฒนาเ น, นี่ยอันนี้มากมากรายละเอียดเยอะหรือคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นกัญยาณมิตรเนี่ยอันนี้เป็นประกอบ เป็นฝ่ายนอกหรือฝ่ายในฝ่ายนอกเนอนะได้แก่ปัจจัยทางสังคมเรียกง่ายๆวิธีการแห่งศรัทธาก็หมายความว่าเออเราต้องมีศรัทธาตรรา่อกัญญาณมิตรประการที่สองคือโยนิโสมนสิการการทําในใจโดยแยกคายการใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดคิดเป็นคิดอย่างมีระเบียบก็หมายถึงการรู้จักมองรู้จั ก, จกพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบเาต้น ส, สืบไปถึงต้นเขาสาไปตลอดสายแยกแยะสิ่งต่างๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะแล้วก็ตามความสัมพันธ์สืบทอบตามเหตุปัจจัยยังไงโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหามาณทิฐิเข้าไปจับเนี่ยสองข้อนี้สำคัญมากอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยบอกว่าถ้าภิกษุ ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดที่จะมีประโยชน์เท่ากับการมีกัญยาณมิตรเลย mm. ฉะนั้นคือภิกษุที่ยังจะต้องเป็นเสขะเนี่ยที่กำลังศึกษาและมีการศึกษาเนี่ยองค์ประกอบใดไ ม, ไม่ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับกัญยาณมิตรเลยกัญยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดของชีวิตที่ดีงามเนี่ย สำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบใดๆเลยที่จะมีประโยชน์เท่ากับโย น, นิโสมนัสิการเลยสรุปก็มีสองประเด็นนะเพื่อจะมององค์ประกอบว่าภิกษุผู้ยังต้องศึกษาคำว่าเศษขษบุคคลเนี่ยท่านโดยตวัวโดยตรงเลยหมายถึงโสดาสกัตทานะคะนะแต่ถ้าโดยโดยที่ท่านจัดให้เนี่ยปุถุชนที่เป็นกาลยานะุปุรุชน ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะฝึกตนเองในการพัฒนาตนเองในการที่ทําตนเองออกจากสังสารวัตฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกสําหรับผู้หรือภิกษุผู้ต้องผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดที่จะมีประโยชน์มากเท่าความมีกัลยาณมิตรเลยนั่นในภายนอกทั้งหลายอะไรเนี่ยความมีกัลยาณมิตรอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ว่าเดี๋ยวว่ากันอีกที สำหรับผู้ที่ภิกษุที่ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดที่จะมีประโยชน์เท่ากับโยนิโสมนัสการเลยฉะนั้นปัจจัยทั้งสองอย่างเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนสา ม, มัญซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้าก็ต้องอาศัยการแนะนําชักจูงจากผู้อื่นแล้วก็คอยคอยตามคําแนะนําชักจูงที่ฉลาดได้ง่ายแต่ก็จะต้องฝึกขัดให้สามารถใช้ความคิดอย่างถูกวิธีด้วยตนเองให้ได้ด้วยจึงจะก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้ ส่วนคนที่มีปัญญาแก่กล้าย่อมรู้จักใช้โยนิสโสมรศัศการได้ดีด้วยนดีกว่าแต่กันนั้นก็อาจจะต้องอาศัยคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเครื่องนำทางในเบื้องต้นและช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างที่ฝึกอบรมฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือการเสริมการสร้างเสริมสมาธิถิเนี่ยด้วยปัจจัยที่1าเรียกว่าปรตโคสักก็คือวิธีการที่เริ่มด้วยเริ่มต้นด้วยอะไรด้วยศรัทธา ต้องอาศัยศรัท ธ, ธาเนะเป็นตัวนำเนะเป็นสำคัญเมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรมก็ต้องพิจารณาให้ได้รับคำแนะนำชักจูงสั่งสอนอบรมที่ได้ผลดีที่สุดก็คือต้องมีผู้สั่งสอนอบรมที่เรียรพร้อมด้วยคุณสมบัติที่สามารถที่จะใช้วิธีการอบรมสั่งสอนให้ได้ผลดังนั้นเนี่ยในการศึกษาอบรมจึงจากัดให้ได้ ปรตโตโคสะที่มุ่งหมายด้วยหลักการที่บอกกัลยาณมิตรหรือมีกัลยาณมิตรตาหรือมีกัลยาณมิตรเนี่ยนี่คือปัจจัยภายนอกส่วนในตัวปัจจัยภายในเนี่ยส่วนที่2ก็คือตัวโยนิโสมนัสิการนี้เป็นตัวหลักตัวหลักการในใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไรเมื่อนําปัจจัยทั้งสองอย่างมาประกอบนับว่ากัลยาณมิตรตาเนี่ยเป็นองค์ประกอบภายนอกส่วนโยนิโสมนัสิกานี่เป็นองค์ประกอบภายในใช่ไหม ต้องเกือกหนุนกันถ้าตรงข้ามจากนี้ก็คือได้ผู้ไม่เป็นกริยานมิตรทาให้ได้ประสบปัจโตโคสาที่ผิดพลาดหรือใช้ความคิดผิดวิธีเป็นอโยนิโสมนสิการไม่ฉลาดคิดก็จะได้ผลตรงข้ามก็คือเป็นมิจฉาทิฐิไปได้นั้นปัจจัยที่เป็นสมาธิสี่ 4-2 ประการนี้แหละที่บอกว่าหนึ่งปัโตโคสาก็คือเสียงจากผู้อื่น ที่จะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิที่ดได้ก็คือเสียงที่ดีงามเสียงที่ถูกต้องเสียงที่บอกกล่าวชี้แจงตามความเป็นจริงมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีเนี่ยอย่างเสียงเสียงดีงามถูกต้องเช่นเนี้ยเกิดจากแหล่งที่ดีคือคนดีนี่แหละคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรมที่เราเรียกว่าสัตว์บุรุษบ้างบัณฑิตบ้างถ้าเป็นคนดีคือสัตว์บุรุษหรือเป็นบัณฑิตเนี่ย ไปทําหน้าที่ช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนชักนําสำมาธิฏฐิให้แก่ผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าบุคคลผู้สแสวงสัมาธิฏฐินะไม่จําเป็นต้องรอให้สัตว์บุรุษหรือบัณฑิตมหาตนตรงกันข้ามเขาก็กระตือรือร้อนในการที่จะไปหาไปปรึกษาไปสดับรับฟังไปขอคําแนะนําชี้แจงสั่งสอนเข้าร่วมหมู่อยู่ใกล้ตลอดถึงศึกษาแบบอย่างแนวทางของบัณฑิตและสัตวบุรุษนั่นเอง การกระทําของเขาอย่างนี้เรียกว่าการเสวนาสัตว์บุษหรือการครบคนดีแต่ไม่ว่าสัตว์บุษจะทําหน้าที่ที่ที่ให้หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตว์บุษเองก็ตามในเมื่อมีการยอมรับหรืออิทธิพลต่อการเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขามีกัลยาณมิตรก็เรียกอย่างกัลยาณมิตรตาก็แปลความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรก็ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นชัดแต้ว่าตัวกัลยาณมิตรเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างในความหมายสามัญ น, นะแต่หมายถึงอะไรรู้ไหม หมายถึงบุคคลที่เพียบพร้อมไม่ได้คุณสมบัติที่จะสามารถจะสอนเราได้แนะนําชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดําเนินไปในมรรคในมัชิมาปฏิปทาได้ดีที่สุดในการที่จะฝึกฝึกนอบรมได้อย่างถูกต้องในคัมภี์วิสุทธิมรรคท่านยกตัวอย่างยังไงท่านยกตัวอย่างบอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นพระหูสูตรทรงปัญญา ที่สามารถสั่งสอนแนะนําเป็นที่ปรึกษาได้และอ่อนไวกว่านี้แม้จะอ่อนไวกว่าแต่ในส่วนของการพัฒนาปัญญาความมีกาลยานามิตรนี่จัดเป็นระดับความเจริญปัญญาในขั้นของศรัทธามองเห็นไหมต้องอาศัยศรัทธาไหมส่วนในระบบการศึกษาอารมความมีกาลยานามิตรเนี่ยก็ควร ม, มีความหมายควบคมุมทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้น ทั้งคุณสมบัติของผู้สอนทั้งหลักการวิธีการอุปกรณ์อุบายทั้งหลายเลยเนี่ยนะจัดแนวทางต่างๆที่ผู้พิหน้าที่การศึกษาจะพึงจัดทําถ้าระดับในการที่เราทําความเข้าใจพระเจ้าก็คือระดับมหาบุรุษนี่พระเจ้าเนี่ยนะีเออในคําว่าสัตว์บุรุษก็ดีอริยะก็ดีบัณฑิตก็ดีใช้ในความหมายที่คาบเกี่ยวกันนะใช้ในความหมายที่คาบเกี่ยวกันก็จะไม่เจาะลงตรงนั้น อดุพุทธพศพระยาบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินหรือแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพพมิตรชั้นใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนาเป็นปุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอสดางคิกรรมักแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวัง สิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทาให้มากซึ่งอริยะอัศ ด, ดางคิกามักก็คือจักทาให้มากถึงมากพิองแปดดูก่อนาอ น, อนนท์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังอย่างนี้ได้คือเขาจักเจริญจักทาให้มากซึ่งอริยะอัศ ด, ดางคิกามั ก, ก, กแล้วพระพุทธเจ้าบอกเมื่อพุทธบริษัทอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราศาสตร์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากชาติ ผู้มีชาราธรรมดาก็จะพ้นจากชาราผูม้มีวรณาเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากมรณะผู้มีโสก่าปริเทวะทุกขาโทรมรณสาวุปายาตเป็นธรรมดกาก็จะพ้นจา ก, กโสก่าปริเทวะทุกขาโทรมรณะและอุปายาตไปได้เห็นไหมเราศาสตร์ผู้มีชาติคือการเกิดชาราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายความโศกความร่ําไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและความรับแค้นใจเนี่ยเมื่ออาศัยพระพุทธเจ้า เป็นกัญยาณมิตรซึ่งเป็นยอดกัญยาณมิตรแล้วสัตว์เหล่านั้นก็จะพ้นจากชาติชราพระยาทีมรณะโสกปริเตวะทุกขโทมนะสาลูกปญายาตไปได้เนี่ยความมีกัญยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์พรหมจันท ร, ร์ในที่นั้นก็หมายความว่ามรคมรคกับพรหมจันทร์อริยมรคกับพรหมจันทร์ถ้าเราจะประชมกระแสชีวิตของเราหรือก็ชมอริยมรคมีองค์แหรือสามารถจะนำพากระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้มีอริยมรคมีองค์แมาประชมให้เกิดขึ้น เมื่อใครมีอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อริยมรรคมีกองค์แปดให้เกิดให้มีขึ้นจนสามารถเป็นโลกุตลามรรคให้เกิดขึ้นในกระชมขึ้นในกระแสชีวิตได้แล้วเขาเรียกว่าเป็นความประเสริฐเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเป็นชีวิตที่กําจัดราคะได้กําจัดโทสะได้กําจัดโมหะได้ เป็นชีวิตที่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะโศกกาปริเทวทุกขโทมนะสาวุปายาตเป็นชีวิตที่ที่ดับกิเลสและกองทุกได้เป็นชีวิตที่เข้าถึงการทํากิเลสให้นิพพานและก็ทําขันธ์ให้ให้นิพพานเป็นต้นได้เห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็บอกความเป็นกัลยาณมิตรน่เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวก็คือสามารถเป็นเป็นชีวิตที่ประเสริฐ ชีวิตที่จะเข้าถึงความประเสริฐดีงามจนสามารถดับกิเลสและกองทุกข์ได้ก็ความมีกัลยาณมิตรอย่างพระุเจ้านี่แหละฉะนั้นอย่าได้บอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นทั้งหมดเลยเนะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ว่าอาริยมรรคพรหมจรรย์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีระดับกัลยายอดกัลยาณมิตรแบบนี้เพิกสูตรทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นปุโพรนิมิตก่อนแม้ชั้นใดความมีกัลยาณมิตก็เป็นตัวนําเป็นปุโปรนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชฌงเจตแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุที่มีกัลยาณมิตแล้วย่อมพึงหวังได้คือจักเจริญจักทําให้มากซึ่งโพชฌงเจตสติสัมโพชฌงธรรมวิจยตสัมโพชฌงอุริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌง สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรพอมีกัลยาณมิตรอย่างพระเจ้านี่แหละโพชฌงค์เจจึงสามารถประชุมในกระแสชีวิตของท่านบุตรเหล่านั้นได้เราไม่เล็งเห็นธทมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนี่สำคัญขนาดนนั้ เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความตั้งดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานเห็นพระสัตวรทำเหมือนความมีกริยาณมิตเลยโอ้เนี่ยมีแต่สิ่งดีอย่างเดียวนะโดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความมีกริยาณมิตนี่เลยเห็นไหมความมีกริยาณมิตรเนะี่ยสำหรับภิกษุผู้เป็นเศรษฐ ยังไม่บรรลุอาราธผลปรารถนากเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากเหมือนความมีกริยาณมิตรภิกษุผู้มีกริยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลได้ย่อมบำเพ็ญกุศลได้ขึ้นเห็นไหมภิกษุผู้มีกริยาณมิตพึงหวังสิ่งนี้ได้คือหนึ่งจะเป็นผู้มีศีลสำรวมาวางในปาฏิโมกขสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจระเป็นต้น 2. องจะเป็นผู้ได้ ได้มีโอกาสสดับฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ขัดเกลาอุปธิหรืออุปนิสัยชำระ จ, จิตให้ปลอดโปรงในเรื่องของความมักน้อยสันโดษไม่ละคนได้ยอยู่เป็นต้นไม่ละคนด้วยหมู่คณะเป็นต้นในเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุติเรื่องวิมุตติญ า, าทณทัศนะนี่ประการที่สองจะเป็นอย่างนี้ประการที่3ก็คือจักเป็นผู้ตั้งหน้าทําความเพียรเพื่อกําจัด กุศลธรรมและบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมให้เพียบพร้อมจากเป็นผู้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทุระในพันิพานนั่นเองถ้ายังไม่ถึงพันิพาณตราบใดก็ไม่หยุดความเพียรนั่นเองเดียไม่ทอดทุระในพันิพานด้วย 4. ก็คือจากเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะอย่างรู้ความเกิดและความดับชำระ ก, กิเลสนาไปสู่ความจบสิ้นแห่งทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยบาลีที่อ้างมาเนี่ย เน้นความสําคัญของความมีกัญยาณมิตรสําหรับภิกษุเพราะาเป็นพุทธพจน์ทิพทยพระเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายด้วยเนี่ย น, นี่มองอย่างนี้ถ้าถ้ามองในด้านคําสําหรับการสอนคนทั่วไปเฉพาะชาวบ้านก็ยิ่งมีหลักธรรมพุทธภาสิตที่ย้าถึงความสําคัญของการครบหาการเสวนาคนดีเนี่ยเช่นความมีกัญยาณมิตรเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทิฏฐธรรมิกธาประโยชน์ในโลกนี้ การคอบคนชั่วเป็นอบายมุกการครอบมิตรและปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลักอย่างหนึ่งในคําสอนเรื่องทิฏกด้วยการรู้จักครอบคนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียมเป็นหลักธรรมใหญ่ที่จะทําให้เราได้ความเจริญหรือความเสื่อมเนการเสวนากับสัต์บุรุษเนี่เป็นข้อธรรมในจักสีด้วยนะในวุติธรรมเนี่ยหรือในโสตาปฏิยังฆะทำในการที่จะเป็นพระโสตบัญัตเป็นต้นความาามีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมหนึ่งใน นาถะการณธรรมด้วยทำรรที่จะเป็นที่พึ่งสิบประการในชาดกก็มีคําสอนไว้เยอะมากทุนทุกชั้นทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบ้านก็มองเรื่องของสุภาษิตคำแนะนําเกี่ยวการคบหาเซวนาเป็นจํานวนมากนั้นธรรมภาสิต ก, กระจายอยู่ทั่วไปในพระสุตตันตปิฎกมากเลยเช่นบอกว่าการไม่คบคนพาลการคอบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นอุดมบรมคนครอบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น ผู้ใดแม้มิได้ทำความชั่วแต่เกลือกกล้วกับผู้ทำบาปผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่วและเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปด้วยผู้คนผู้ครบคนเลวก็ย่อมพลอยเลวลงผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคาใบคาก็ย่อมเหม็นกลิ่นปลาขะครุงการเกลือกกล้วกับคนพานก็ย่อมมีผลอย่างนั้นผู้ใดห่อ กลิศหนาหรือใบไม้กลิศหนาใบไม้นั้นก็ย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุง้งการเสวนานักปราชก็ย่อมมีผลอย่างนั้นเหมือนกันปรากย่อมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนําไม่ชวนทําสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องบางครั้งก็บอกว่ามองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษพูดจาขมขีสเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ คนเช่นนั้นเป็นบัณฑิตควรคบได้คบคนเช่นนั้นแล้วมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลงคน <c oughs> นี้นะโอ้อะไละเอียดตรงนี้เนะี่ยโอ้ที่จริงถ้าดูในชาดกเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้เยอะแต่บางทีเราจะเจ็บปวดนะในความในข้อเท็่จริงถ้าเราไปคบคนประเภทนี้ อ, อะไรล่ะมีแต่ชี้แต่โทษเราเี้โทษเราเครียดแต่เรา <c oughs> เป็นไหมเ ร, เราชอบคอบคนตามใจน <c oughs> จะไปไหนไปด้วย ทำอะไรก็ทําโดยการกินเหล้าโดยการเที่ยวโดวยการานี่ๆเราชอบแต่ไปเจอคนถากแล้วถากอีกชี้แล้วชี้อีกตําหนิแล้วตําหนิอีกตัแหมงอ้อเลยใช่ไหมโดยก้อเท็จจริงเราก็ไม่ค่อยอยากคาะคนดีก็ตัวเอาอย่างยกตัวอย่างนะถ้าท่านอ่านคุณนาราชา ด, ดอกมาเนี่ยจะเห็นชดัดนกปูน้ำมุขขาเนี่ยพูดเพราะเนีเรียกมีเงยน้องหญิงอู้เรียกอย่างเพราะเลย แต่นกกุนาลานีชี้เลยขออภัยเนียใช้คำว่าอีถอย อ, อีอักตันยูอีกชีบหายอะไรเสืพัดหมดเนี้ยไม่รู้จักคนนางจรไปยังไปเนี่ยเนยีคนลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆนะ่ถ้าเราไปอ่านเพียงแค่พยัญชนะเนี่ยเราก็จะนึกโอ้โหทำไมพูดอย่างนี้หรือคนบางคนขนาดบรรดานกนางนกดูงว่าทั้งหลายเลยเนี่ยนะ ตัวเมียทั้งหลายยังโหยน้อยอกน้อยใจพากันไปฟ้องนกปูน้ำมูกขานกปูน้ำมูกขาก็มาเฝ้าเออมาหานกกุณาละแล้วก็ไปบอกว่าสหายทําไมไปพูดกันคนเธออย่างนั้นเล่าเธอมีอุปการะคนอย่างมากเลยเนี่ยเอาใจทั้งกวีกังวันะไรทั้งหลายเหล่าเนี่ยเป็นต้นเนี่ยกลางคืนก็เอาใจไปที่ไหนก็บินไปก็โหจับให้จับคอนไม้อ ย, อย่างดีแล้วก็พาบินไปแล้วป้องกันภัยอันตรายทั้งข้างล่างข้างบนการลมกันแดดกรัรฝนเลยทั้งหมดเลยเนี่ยทำไม ด่าเธออย่างนั้นว่าเงินโพตำหนิจิกเธอแล้วจิกเธออีกเนี่ย น, นกปุณาราก็ด่าตำหนินกปูน า, าก็ไปใครจะไปพูดจาไปล้ออย่างงี้ยบอไปอยากพูดไปล้อก็พูดไปในน้องอย่างนั้นนี่นอะบอกไปที่ไปคุยดีๆเข้าไว้กับผู้หญิงก็ไปให้ไปคุยดีๆอย่างนั้นเราก็จะเหตุผลว่า น, น, นักเข้าเกือบตายเลยใช่ไหมไปป่วยแทบตายไม่มีใครดูแลเล้วก็ทิ้งหมด เหตุผลนี่ไหมทให้นกกุลาละท่านท่านพูดอย่างนั้นพรพูดแต่ละครั้งเนี่ยบรรดานกตัวเมียเนี่ยก็สะดุ้งและได้สติใช่ไหมพ่อบอกว่าอนางโจรอีกอักตันยูปุ๊บเด็ก็ได้ถูกด่าถูกสอนนั่นเองจะได้เตือนโอ้เราจะได้ไม่ไม่อักตันยูเพราะเราได้อาศัยใบบุญของนกกุลาละนี่แหละเห็นไหมที่คือถูกสอนนั่นแหละแต่ท่านสอนแบบชี้แบบตรงๆเลยตุ่มตุ้มตุมตมตุมลงไปเลยใช่ไหมนี่คือการสอน คือสอนจี้ไปที่กิเลสวันเนี่ยอีกกาตันยูเป็นยังไงไม่รู้จักคุณเป็นยังไงเป็นเหมือนลมยังไงว่างั้นเถอะเผลอเลยเผลอจะสติอยู่เรื่อยเนี่ยทำอะไรก็หลุดหลุดลุยๆเป็นต้นพอเจอนกตัวผู้เจอนกอะไรหน่อยก็แหมแป๊บแปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปหาเขาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะไอ้กิเลสลมแล้วก็หน่อยแล้วตามใจกิเลสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั้นน ก, น, น, นกกุณาระตั้งกระชี้กระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยก็ได้สติกันเป็นครัง้งคราวครังคราอยู่อย่างนั้นเลย โดนตำหนิแต่ละครั้งก็สติก็ฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาอยู่อย่างเงี้ยงั้นหัดพูดอย่างนั้นก็ดีเจอใครก็ชีนะ้หน้าอย่าเจอไม่ชี้เจอใครอย่างเจอเอาเลยเนะี่ยเริ่มต้แต่วันพวกนี้เลยได้ไหมไม่ดีเนี่ยเป็นการพูดกระตุกหายหมดไหมไ ม, ไม่ประเด็นคือว่าอย่าลืมนะว่านกุณาละท่านฉลาด ท่านมีความสามารถที่ท่านด่าอย่างนั้นก็ดีพราะมีภัยอันตรายช่วยหมดช่วยเหลือป้องกันภัยให้ด้วยโอ้ช่านฉลาดมองสถานการณ์ได้ก็ความสามารถของท่านและทุกคนก็ต้องมาห้วมร้อมกันที่อยู่ใกล้ท่านแล้วปลอดภัยไม่มีอันตรายนั่นเองท่านแก้ปัญหาหได้งั้นปรารถนาแนะนําในสิ่งที่ควรแนะนําไม่ชวนทําสิ่งที่ไม่ไม่เป็นเรื่องพึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษพูดจาข่มขี ข, มข่มขีเขาข่มขยิบเขา ข, มข่มกิเลสแล้ว เขาจัดการกิเลสในเราเหมือนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์คนเช่นนี้เป็นบัณฑิตควรคอบได้เมื่อครอบคนเช่นนี้แล้วมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลงนะสังเกตดูนะเราไปครอบใครแล้วแย่ลงแย่ลงเมื่อ บ, บางทีพระเราบางครั้งก็มีจุดตรงนี้จุดบอดเยอบางทีมียอมมาครอบด้วยเสียคนหมดเลยกิเลสในใจเขาไม่ถูกกระตกให้ลดลงลดลงกลับไปเพิ่มเนี่ย ราคาที่เขายังไม่เกิดก็มากขึ้นโทรศท์ที่ยังไม่มีก็มากขึ้นโมหาที่ยังไม่มีก็มากขึ้น น, นี่เสียหายอลไรเนี่ยเขาจะว่กพึงแนะนํำตักเตือนเถิดพึงพร่ำสอนเถิดพึงห้ามปรามจากความชั่วเถิดคนที่ทำเช่นนั้นน่ยย่อมเป็นที่รักของสัตว์บุรุษไม่เป็นที่รักของอาสัตว์บุรุษนี่อันนี้ก็เปรานาให้เขาตักเตือนเลย ทิระชนหรือผู้มีปัญญาอยู่ร่วมกับอยู่ร่วมด้วยเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติถามว่าเวลาเราจะไปอยู่กับคนมีปัญญากับคนโง่เนี่ยเราชอบอยู่กับใครคจริงไในชีวิตที่ผ่านมาทําไมเราไปหมกมุ่นอยู่กับคนไม่มีปัญญาเห็นไหมถ้าเราอยู่กับคนโง่ก็จะตามใจ ก, กิเลสเราทุกอย่างนั่นแหละ บำรุงบำเลอเราเสื้อผ้าให้เรามีกีเรเดชเครื่องนุ่งห่มยาอาหารเวนเตอร์เหล่าเนี้ยดูหนังฟังเพลงทั้งหลายเหล่านี้เราทำไมชอบอยู่กับคนประเภทนั้นเห็นไหมจริงๆก็คือนั่นแหละเราชอบอยู่กับไม่ชอบอยู่กับทีรชนเราไม่ชอบอยู่กับคนมีปัญญาเพราะการอยู่กับคนมีปัญญาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมีความสุขเหมือนญาติเขาเขาป้องกันภัยให้เราในปัจจุบันและภัยในอนาคตเดินร่วมกัน7ก้าก็นับว่าเป็นญาติเป็นมิตรนะ ร่วมกันสิก้าก็นะว่าเป็นสหายอยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนก็นะว่าเป็นญาติถ้านานมากกว่านั้นก็เหมือนตัวเราเองวันนั้นโอขนาดนั้นอันี้เป็นพุทธพจน์นะมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนเหมือนหมู่หมู่ไม้มากไม้ในกลางป่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวก็ถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าไรลมก็พัด คนลงได้เออนี้ก็ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มถ้าไปอยู่อยู่คนเดียวอยนันตรายงี้ยนะนะสําหรับคนไม่แข็งแรงเหมือนต้นไม้บางต้นที่ไม่แข็งแรงไปยืนโดดเด่อยูย่ในี่ยโนลมพัดหักเนี่ยนี่อันตรายถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตนพึงไป พึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่วเวลาไปคนเดียวก็อย่าไปทำชั่วด้วยควรครอบมิตรที่เป็นพระหูสูตรทรงทโอรานด้วยความดีมีปฏิพานค้นรู้จักประโยชน์ที่มุ่งหมายด้วยกําจัดความสงสัยได้แล้วจึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดนี่ฟังทำตามการบังสวนธรรมตามการ น, นี่เป็นอุดมคงคลทั้งหลายเลยนี่แล้วก็พูดถึงเรื่องคนคนขึ้นแพ้ด้วยนะ ขึ้นแพน้อยไปในมหาสมุทรก็จะจมเสียชั้นใดแม้สาธุชนอาศัยคนเกียรติค้านก็ย่อมจมลงได้ชั้นนั้นแหละเพราะฉะนั้นควรเว้นห่างจากคนเกียรติค้านมีความเพียรสามนั้นเสียเพึ่งอยู่ร่วมกับเราบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอระยะผู้มีใจเด็ดเดียวเพ่งพินิษเพ่งในที่นั้นก็คือเพ่งด้วยอรมาณูและลัคนูเจริญทั้งสมถาวิปัสนาญาณนนีะ่ผู้เร่งระดมความเพียรเป น, นิษ เน่พุทธภาษิตหรือสุภาสิตทั้งหลายที่ยกมาเปรียบเทียตเนี่ยเกี่ยวกับการที่จะเซวนาที่ตรัสแก่ภิกษุโดยมากกับจุดมุ่งหมายตรงต่อประมัติและประสงค์ที่จะเสริมสร้างสัมมาทิฐิในแนวทางที่จะเป็นโลกุตระย่างเด่นชัดถ้าคนทั่วๆไปก็ค้องจะขับเน้นเรื่องทิฏฐามิกถาสัมปรายิกถาประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์ที่เลยตาเห็นนี่แหละแล้วว่าจะพัฒนาไปถึงโลกุตระนั้นอีกทีหนึ่งทีนี้พูดถึงในเรื่องของ คุณสมบัติของกัลยาณนะมิตรเครียวหรือสัตบุรุษเนี่ยสัตบุรุษหรือคนดีหรือคนที่แท้ที่มีธรรมของสัตบุรุษเครียกสัปริสธรรมเนี่ยหนึ่งธรรมัญญญานี่สำคัญนะรู้จกักรู้หลักธรรมัญญญาเนี่ยเแปลว่าวรู้หลักรู้จักเหตุนี่แหละรู้จักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่คําว่าธรรมัญญญาในที่นี้ถ้าพูดกันโดยตรงในปัจจุบันก็คือรู้พระตรปิฎกเลยนะฮะรู้ทั้งวินัยยบิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้ วิรามีดกอะรู้หลักตัวนั้นรู้ตัวธรรมะรู้เหตุรู้หลักรู้เหตุนี่แหละซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำการได้สําเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้หลักธรรมที่ตนเองจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรโอ้รู้เลยนะสามารถประมวลหลักการคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยมีอะไรบ้างผู้ปกครองรู้ธรรมะของผู้ปกครองหรือรู้หลักของการปกครองเนี่ยเป็นภิกษุก็รู้หลักของพระภิกษุเป็นอุบาสกบาสิการก็รู้หลักของอุบาสกบาสิกาหรือ อย่างเราเราก็เร <laughs> right? so so ียนรู้ทั้งหมดซะเลยธรรมะใช่ไหมรู้หลักที่สำคัญมากตัวธรรมัญญาตาเนี่ยเช่นพ่อก็รู้หลักธรรมะคุณสมบัติให้เข้าถึงความเป็นพ่อธรรมะที่มีคุณธรรมความเป็นพ่อมีคุณธรรมความเป็นแม่มีคุณธรรมความเป็นสามีคุณธรรมความเป็นภรรยาคุณธรรมความเป็นลูกคุณธรรมความเป็นผู้ธีพุทธพิปัตนะอาคุณธรรมความเป็นเจ้าหนายลูกน้องคุณธรรมความเป็นภิกษุคุณธรรมความเป็นวาสุกบัณฑิการที่เป็นต้นนะนะ เนี่ยก็คือรู้หลักพวกนี้สำคัญไหมเนี่ยรู้หลักก็คือรู้เหตเนี่ยมีอะไรบ้างประการต่อมาอัฏฐัญญาตาก็รู้ความมุ่งหมายรู้จักผลก็คือรู้ความ ม, าวามุ่งหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่รู้หลักธรรมแล้วรู้อัฏฐารู้ความหมายของหลักธรรมนั้นนั่นยถ้าพูดถึงว่าเอา้านียอย่างยกตัวอย่างถามมาบอกว่าศรัทธานี่แปลว่ารู้หลักกับศรัทธา ยังรู้ไหมว่าตถาคตโพธิ์ที่ศรัทธาจริงๆคืออะไรกรร ม, มสัทธาวิปากสาัทธากรร ม, มะสกตาศัทธาวินต์อะไรเนี่ยทำไม่รู้หลักนี้แล้วก็รู้จุดหมายรู้ความมุ่งหมายรู้เนื้อความรู้ไอ้อธิบายตรงนั้นเห็นชัดไหมว่าเออศรัทธามันเป็นอย่างนี้คือหลักมันเป็นอย่างนี้และจุดมุ่งหมายไอ้ตัวความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ ที่เราจะได้เป็นเราจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจและจะได้เข้าถึงศรัทธาอย่างแท้จริงได้อย่างไงเป็นต้นนั้นอถันฉยุตตานี่รู้รู้จักผลเนี่ยรู้ความหมายเลยเนี่ยรู้ความมุ่งหมายของหลักธรรมนั้นรู้ความมุ่งหมายของหลักการกฎเกณฑ์หน้าที่รู้ผลที่ประสงค์ของกิจการที่ทําเช่นภิกษุรู้ธรรมที่ตนศึกษาแล้วก็หลักปฏิบัติว่ามีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระของชีวิตรู้จักผลอ้าว แล้วรู้จักมากไหมอาเรียมากพิองปดสมาธิฏฐิสม า, ส, มาสังกรปราพิตรรู้จักไหมไม่รู้รรรรสินสมาธิปัญญารู้จักไหมถ้ารู้หลักตัวนี้ยนะแล้วรู้ไหมว่าจุดหมายของศินสมาธิปัญญาเพื่ออะไรพของการเจริญศินสมาธิปัญญาเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อนิโรธนีนิโรธเนี่ยอจุดหมายก็คือตรงนั้นแหละ คือการทำกิเลสให้นิพพานและทำขันให้นิพพานเนี่ยจุดหมายอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรกรู้จักผลกรู้หลักก็คือรู้หลักของมรรคแสติปทาน4สมมติทาน4อิทิบาสีอินทรีย้ 5. พระ5โพชฌงเจ็มรรคเนี่ยอริยมรรคแปดเนนี่รู้พธที่ปักแยท่ทมรู้หลักทั้งหมดนี้นะอันนี้ระดมลุ่มลุ่มมรรคแล้วแล้วก็รู้ผลด้วยผลคือจุดหมายก็คือพระนิพพานใช่ห อนุปาท า, านินี้ผานรู้หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกันทางการรู้สมุ ท, ทยัยอวิชชาตนาอุาทานรู้ผลของสมุทัยคือทุอกโสกปริเทวทุกขโทมนาาะสาเรอปายาใช่ไหมราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นสมุทัยไหมเป็นไอราคะโทสะโมหะนี่จุดหมายของเขาผลของเขาคืออบายทุกติวินิบาตเนรกใช่ไหมล่ะหรือ ชาติทุกชาา ท, ก า, ททก า, าทุกปยาทุกมรณะทุกโศกกระปริเทวาทุกกะระโทมนั้นศาสตร์อุบายาก็คือทุกเนี่ยทุกเป็นผลของสมุ ท, ทยัยใช่ไหมสมุ ท, ทยัย น, น, นี่เป็นเหตุไอ้ทุกเป็นผลมรรคไม่เป็นเหตุนิโรดนี่เป็นผลนีมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้นิพพานเกิดขึ้นนะแต่มรรคเนี่เป็นทางเดินเป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้เข้าถึงนิโรดเข้าถึงให้กิเลส นิพพานให้ขันนิพพานไม่ใช่มาร์กเนี่ไปทำให้นิพพานมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนสมุทัยเนี่ยที่เป็นเหตุเนี่ยเขาทำเขาสร้างทุกจริงๆเขาสร้างรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆเขาสร้างชาติทุกชาติทุกพยาทุกมรณะทุกเป็นต้นจริงๆไอ้ตัวกิเลสนี่นะตัวสมุทัยเนี่ยเขาสร้างจริงๆซึ่งมันต่างจากมาร์กมาร์กไม่ได้ไปสร้างนิพพานแต่มาร์กนั่นเป็นทางดําเนินไดถึงวันิพพานพอเข้าใจตรงนี้ไหม เรื่องรู้เหตุรูผลเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจเรื่องเหตุและผลยานทานพอเข้าใจยังเ ข, เข้าใจว่าไงเข้าใจว่ามรรเป็นเหตุที่ถึงไม่ใช่เป็นเหตุที่เกิดเออแล้วกิเลสล่ะกิเลสเราเป็นเป็นเหตุของอะไรเ ป, เ, เป็นตัวสร้างเลยอ่ะสมุทัยเนี่ยสร้างทุกข์เลยเนะี่ยสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นเลยเนะี่ยมอ่งไหม เนี่ยขาสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นเลยนะมันคนละอย่างกับมรคนะพอมองเห็นไหมหลักการที่สามก็คืออัตตัญญุตารู้จักตนรู้จักตนก็คือรู้จักฐานะภาวะเพศกาลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤตินตนให้เหมาะสมและให้เกิดผลดี อาคา่ารู้จากตนนี่คืออย่างนี้ตนมีศรัทธาแค่ไหนรู้ไหมรู้ปะไหมตอนนี้ตนเองมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธารู้ไม่รู้มีศีล <c oughs> แค่ไหนมีสุตตะข้อมูลแค่ไหนจกักกสลากกิเลสได้แค่ไหนปัญญาแค่ไหนปฏิพานแค่ไหนนี่คือเรารู้จากตนประเมินตนเองถูกบางคนไม่รู้เลยเนะีเอา้ามีศรัทธาแค่ไหน แล้วศีลน่ะศีลน่ะฝึกให้เกิดให้มีได้แค่ไห น, ส, น, น, นสุตตาข้อมูลข้อมูลสั่งสมข้อมูลมีข้อมูลอะไรไม่ติดเนื้อติดตัวโอ้โหเอ้าจากคะเนี้ยไอที่สระกิเลสสาลอกกิเลสไปได้บ้างมีอะไรบ้างที่สำลอักออกไปได้บ้างโอ้โหปัญญากรรมสกตาปัญญามีหรือยัง ปัญญาที่ฉลาดรู้เรื่เหตุรู้ผลรู้กรรมของรู้ผลของกรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยปัญญาที่ไปเห็นไตรลักษณ์มียั ง, ยงปัญญาที่ไปชําแลกกิเลสที่เป็นในการละที่เป็นนิจตะทางข้าวสารวิขำพน้ปหา ร, า ป, หารปัญญาระดับพวกนี้มียังเนี่ยสมุทเฉท้าประหารโอ้ยุ่งเลยแต่เนี้เยเไม่มีสักตัวเลยปฏิพานไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้เขาเรียกรู้จักตน ประมาณตนเองถูกเขาเรียกอัตตัญญุตาเนี่ยรู้จักตนรู้จักฐานะภ า, าวะเพศกำลังความรู้ความถนดัดความสามารถรู้คุณธรรมตามเป็นจริงนะไม่จะเสแสร้แสงแกล้งมีโอ้ตรงนี้สำคัญมากนะเออถ้าไม่รู้จักตนเนี่ยยุ่งเลยบางคนว่าไม่รู้จักตัวเองโบราณก็บอกว่านี่เป็นคนไม่รู้จักกำพืชตัวเองว่างั้นนนจริงๆมาจากคาว่าอัตตัญญุตาเนี่ย ตอนนี้รู้หรือยังว่ามีศรัทธาแค่ไหนมีศีแาาาญญลแค่ไหนสุดตาจาระคะปัญญาปฏิพานแค่ไหนแน่นี่อัตัญญุตาอันประการต่อไปก็คือรู้มัตตัญญุตาในประการที่สี่รู้จักประมาณออมัตตัญญูตาจะอธิบายยังไงดีรู้ ความพอประมนาณนพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้ไหมเวลากินรู้จักประมาณไหมมีตัวนี้ไหมรู้จักประมาณในการใช้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งขมยาอาหารเป็นคนรู้จักประมาณตอนแบบนี้ก็คือตรงนี้ท่านขับเน้นตัวปัจจัยสี่หรือเกี่ยวข้องกับคนโดยทั่วๆไปี่ถ้าเป็นชาวบ้านก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยรับมั้ยมีไหมธรรมะข้อนี้ รู้จักประมาณเนี่ยโห oh, ลาําบังเอา้าข้อที่ห้าไม่ต้องขยายเยอะแล้วการลัพยุตรารู้จักการโอ้โห oh. ยงเลยนะเนี่ยตกหมดเลยนะตออ่าตกนะตกหมดเลยนะตอรู้จักการคือรู้จักเวลาไหนควรทําอะไรเวลานี้เวลาเรียนเวลาทํางานเวลาพักผ่อนเวลาเจริญกรรมฐาน เวลามนานสิการเวลานี้ควรเจริญสติเวลานี้อยู่กับใช่ไหมรู้จักการเนะี่ยการนี้อยู่กับพระเทลรซอยู่กับเพื่อนสาธ ม, มิกอยู่กับพนักาศอยู่กับสัมมณี น, นอยู่กับบาสุกบาสิกาณนี่การทั้งหลายเหล่านี้เออรู้ไหมรู้จักมัน ญ, ญาติระเบียบทั้งหลายเออรู้เอเอขอไปรู้จักการตรงนี้การเวล า, าข้อที่หรู้จัก ปริสันยุตาด้วยนะรู้จากชุมชนเนี่โอ้ีหสําคัญในชุมชนเนี่ยเนาะรู้จากชุมชนอย่างเงี้ยมาอยู่ที่บางปามามาอยู่ที่ก็รู้ว่าชุมชนเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนอ่านสถานการณ์ก็ขาดไหมเนี่ยเอาเข้ามาในวัดเนี่ยคนในวัดเนี่ยเป็นกันยังไงมันอยู่กันยังไงเนี่ยใช่ไหมมันเป็นคนมีศีลมีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจารคามีปัญญาโดยส่วนใหญ่ไหมเป็นคนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้เป็นคนที่ มีความเข้าใจขนบธรรมเนียมว่านธรรมประเพณีของเขาเป็นยังไงและเขาเป็นคนที่มีความสมัครสามานสามคัคคีหรือไม่สมัครสามานสามคัคคีเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับชุมชนนี่นี่แล้วเราจะวางท่าทียังไงจะทํำยังไงที่จะทําให้ศีลของเราไม่เสียสมาธิปัญญาเป็นต้นเราเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญไหมปริสันยุตานี่อภระการสุดท้าคือปุคฆราปุกฆโรปรันยุตาก็คือรู้จักบุคคลเนี่ย โอโหเรื่องการบุคคลเขาทจริ ง, รงตรงนี้คืออย่างนี้ไอตัวนี้นะถ้าเจาะลงไปลึกๆเนี่ยสมมุติว่าอา้าวมองไปที่มองไปที่จารย์ฐานท่านไหนมองไปปุ๊บตัวาจารย์ฐานมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาสมมตินะเอาทั้งนายกับสถานนี่เนะี่ยก็มองด้วยนะไอสองคนเนี้มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีศรัทธา น, น้อยอถ้าเราจะเลือกในการที่จะ คัคนเนี่ยเราจะเลือกคนที่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาเราก็เลือกคนที่มีศรัทธาอ่ทีนี้พอมีศรัทธาไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเจอว่าไปเลือกเฟ้นต่อไปว่าเขาเป็นคนชอบฟังหรือไม่ชอบฟังเลือกไปเ ง, งื่อยวิธีเลือกอา้อาไอคนที่ไม่ชอบฟังก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมก็เลือกคนที่ชอบฟังนี่อในเวลาคนที่ชอบฟังนั้นน่ะเขาเป็นคนฟังแล้วจาได้หรือไม่ได้ เลือกไปงเนาะวิธีที่จะเลือกเลือกบุคคลเนี่ยจําได้หรือไม่ได้ไอ้ที่จําไม่ได้มันจะคุยกันไปทำไมใช่ไหมก็คัดออกไปก่อนเอาคนที่จําได้แล้วไอ้คนที่จําได้เนี่ยเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะเจาะงี้นะถ้าแค่จําได้อย่างเดียวแต่คนนี้จําได้ด้วยเข้าใจด้วยเราก็เอาคนจําได้ด้วยแล้วเข้าใจอที่จําได้แล้วเข้าใจเนี่ยนะแล้วก็เขาสามารถเอาไปปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้บางคนมันแค่เข้าใจนะแต่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อะไอ๋อคนนี้สามารถ ปฏิบัติได้แล้วเข้าถึงได้ก็เลือกบุคคลนี่เข้าใจไหมเลือกบุคคลเนี่ยหนึ่งเราจะดอนเป็นกลุ่มไหนอ่าถ้ามองอย่างพวกเราไปอยู่ในกลุ่มชน น, นี้เนี่ยเวลาจะคัดบุคคลเนี่ยในกลุ่มชนนี้คัดออกไปเนี่ยจะเหลือกี่คนเนี่ยเฮ้ยใครมีในบรรดาสิบห้าคนเนะ่ยในสิบห้าคนมีศรัทธาใครมีศรัทธาคัดไว้ไอ้นอกนั้นสมมติเรามีห้าปัดตกไปแล้วใช่ไหมไอ้สิบคนนะ่ยตกหางอายไปแล้วไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีศรัทธา ก็เห้าคนไว้แล้วในบรรดาห้าคนเนี่ยอชอบฟังกี่คนสมมติว่าโอชอบแค่สมคนเลยใช่ไหมอีสองคนก็ต้องละเลยไปไหมเวลาบุ้ริจาก็ต้องละเลยหรือพวกเราเหมือนกันเวลาจะแสดงธรรมพวกนี้ไม่ชอบฟังครบไปทําไมเนี่ยแค่มีศรัทธาอย่างเดียวเช่นมีศรัทธาให้ท่านอยู่อย่างเงี้ยแต่จะให้ฟังไม่ฟังนี่ต้องคัดออกแนะจาอนแน่เนะี่คัดออกไปเอาคนชอบฟังที่ในบรรดาชอบฟังสามค น, นี่ย เออไ อ, อจําได้มีกี่คนนะเนี่ยเฮ้ยมีแค่สองคนยังเอาสองคนไว้เอาที่จําได้ในธรรมดาสองคนจําได้แล้วมีเขาเขาเข้าใจกี่คนเข้าใจแค่คนเดียวก็เอาให้ก็คัดออกไปเรื่อยๆอ๋ออนี่เข้าใจถ้างั้นการมองบุคคลอย่างนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยในการสอนแนะนําจนถึงว่าเขาสามารถประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้โอ้โหสำคัญมากนะปุข ร, ระโปรปรัญยุตานใช่ไหมเห็นไหม ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าคนที่เป็นสัตว์ปรุษเนี่ยเขาจะฉลาดตรงเนี้ยฉลาดในการที่รู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักเลือกในการที่จะคัดคนหรือคบคนในการที่เขาจะมาเจาะในการที่จะจะให้ข้อมูลความรู้ผลผลโอ้โหตรงนี้สาคัญไหมเราไม่เคยคัดหรือแยกแยะมนุษย์ขนาดนี้นะ แต่พระอาจารย์เนี่ยสอนการเจาะแยกลงไปละเอียดยิบเลยละเอียดยิบองั้นต่อไปเวลาคุยกับคนเนี่ยมันจะวางท่าทีทางใจได้ว่าเอคนนี้เขามีศรัท ธ, ธาหรือไม่มีศรัท ธ, ธาอ๋อเขาเป็นคนมีศรัท ธ, ธานะพะอเจาะไปชอบฟังไหมไม่แล้วก็ศรัท ธ, ธาชอบให้ทานรักษาศีลแค่นี้ยอยู่กันแทบตายมันก็นอยู่ได้แค่เนี้ย ไม่พัฒนาต่อเลยจะจะเราจะพูดธรรมะแต่ละทีเถียงทุกคาพอเป็นเอ็นเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมคนแบบนีออ้ต้องปล่อยไปก่อนก็ละไปก่อนเพราะคนที่คนที่ชอบฟังมีอยู่ใช่ไ้ยคนที่ชอบฟังมีอยู่และคนที่ฟังแล้วจำได้ก็มีอยู่คนที่ฟังจำได้แล้วเข้าใจมีอยู่คนที่เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้มีอยู่ฉะนั้นคนพวกนี้จะเสียประโยชน์เลยนะถ้าเราไม่รีบรีบเจาะแคหาบุคคลประเภทนี้ ในพุทธิยถาจะฉลาดตรงนี้อาประการต่อไปคือบัณฑิตเนาะการจะแนะนําสอนทั้งหลายเหล่านี้จะยกย่องจะตําหนิหรือจะแนะนําใดๆก็จะได้เข้าใจคนฉลาดหรือคนที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญามีคุณสมบัติที่ท่านแสดงไว้ท่านในพุทธพจ์กับภิกษุทั้งหลายคนพานมีกรรมเป็นเครื่องกําหนดบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องกําหนดต่างปรากฏแจ่มฉายด้วยความประพฤติของตนเนาะก็คือนั่นแหละ กรรมมัทวาลเป็นหลักวัดนะทวารในการทํากรรมถ้าเป็นคนพานก็ประกอบไปด้วยกายยศทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและผู้ประกอบไปด้วยกรรมสามประการนี้เรียกว่าบัณฑิตก็คือกายยศุจริตวจีสุจริตมโนทุจริตเขดูตรงนี้นะดูลักษณะของบัณฑิตและคนพานดูมีปกติยังไงลักษณะของบัณฑิตมีเครื่องหมายของบัณฑิตแนวทางหรือข้อบผูฤพิของบัณฑิตก็คือบัณฑิตเป็นผู้มีปกติก็คือคิดดีมีปกติพูดถ้อยคาดีๆมีปกติทําดีนี่แหละ พิกสูตรทั้งหลายเพื่อประกอบได้ทําสามการกับพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตก็คือตั้งปัญหาโดยแยบคายเอ้ยนี่สําคัญนะคนที่เป็นบัณฑิตเวลาเขาจะตั้งปัญหาเ น, นี่ยอาจารย์ท่านเขาตั้งโดยแยบคายแล้วก็เวลาแก้ปัญหาเขาแก้โดยแยบคายแล้วก็เมื่อคนอื่นแก้ปัญหาได้โดยแยบคายหรือด้วยถ้อยคํามันกลมกล่อมสลัสลวยได้เหตุได้ผลก็นุมโมทนาแล้วดูตรงเนี้นะหนึ ตั้งปัญหาโดยแยบคายสองแก้ปัญหาโดยแยบคายและถ้าเห็นคนอื่นเขาแก้ปัญหาโดยแยบขายด้วยเท่ากลมกล่อมสลาสลวยปุ๊บโอ้โหอนุโมทนาทันทีรักนาขอันธิตเราดูตรงนี้โมทนาทันทีไอ้คําว่าตั้งปัญหาโดยแยบคายนี่บางคน ต, ตั้งปัญหาไม่เป็นอะผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่านี่อย่างแยกตัวอย่างชรกผู้หญิงบวชภิกษุณีได้หรือไม่ได้อ้า ถ้าตั้งปัญหาอย่างนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาแยบคายหรือไม่แยบคายไม่แยกเพราะอะไรเพราะตั้งปัญหาไม่ถูกเออเนี่ยแล้วตั้งปัญหาไม่แยบคายก็คือตั้งปัญหาไม่ถูกอีกคนพอเขาตั้งปัญหาอย่างนี้ปุ๊บคนนันตอบเลยบอกว่าบวชไม่ได้หรอกเนี่ยเลยตอบก็ไม่แยบคลายไอเนี่ไม่ใช่บัณฑิตเลยนะหนึ่งไอ้คนตั้งก็ไม่แยบคายสอไอ้คนตอบก็ไม่แยบคายไอ้คนฟังเออโมทนาด้วยตอบได้ดี่ย อันนี้คนพานชัดเลยคนวัดกานกระพนจริงๆการตั้งปัญหาเขาไม่ให้ตั้งว่าผู้หญิงบวชได้หรือไม่ได้เขาให้ตั้งปัญหาว่านะบอกว่าก็คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผู้หญิงเขาก็สามารถบวชได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครไปห้ามแต่ปัญหาปัญหาก็คือว่าใครจะเป็นผู้บวชให้ต่างหากไอ้ตรงนี้แหละประเด็นว่าจะให้ใครบวช พราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอไปตั้งอย่างงั้นก็มาผู้หญิงก็ตั้งทงเลยโอ้โหรังเกียจอย่างนี้เป็นต้นงั้นในการตั้งปัญหาในการตอบปัญหาหรือในการที่จะอนุโมทนาปัญหาเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีเนี่ยมันวัดความเป็นบัณฑิตความเป็นคนพันเลยนะงั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะตั้งปัญหาใดๆทั้งหลายมันก็เกิดจากความรู้ความเข้าใจใช่ไหม ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมันตั้งปัญหาม่มค่อถูกอันนี้แล้วก็ผู้ประกอบได้ทำสามประการที่เรียกว่าบัณฑิตอีกอย่างก็เอออย่างเอเอเดือดภิกษุทั้งหลายคนพันมีสองดังนี้คือผู้แบกภาระที่ไม่ ท, ที่ที่ไม่มาถึงกับผู้ไม่แบกภาระที่มาถึงบัณฑิตก็มีลักษณะคือผู้แบกภาระที่มาถึงและผู้ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึง เออคนพานเนี่ยมีผู้แบกภาระราที่ที่ไม่มาถึงและผู้ไม่แบกภาระราที่มาถึง<ม>เข้าใจคำว่าคนพานยไหมเข้าใจยังไงนะอ๋<ม> อ, อเออผู้แบกภาระราที่ไม่มาถึง กังวลไว้ก่อ น, น, น, นอแล้วก็กกนนผู้ไม่แบกภาระที่มาถึงพอภาระรามาเข้าจริงทิ้งสองเลย <c oughs> <c oughs> มี้จริงๆนะเรื่องะอะไรว่าไม่รับผิดชอบเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> พอบอกว่าในข่าวว่ น, น้ำจะท่วม <c oughs> โอ้ยคิดตอกกังวลแล้วพอท่วมเขจริงๆไม่รู้จะไม่จัดการอะไรแล้ว ปล่อยหัวส่งเป็นไหมเป็นคนแบบนี้เยอะเป็นเป็นพานหรือบัณฑิตนี่ผู้แบกภาลาที่มาถึงผู้ไม่แบกภาลัตคือท่านยังมงาไม่ถึงท่านก็ไม่เอามาเข้าคิดแต่มามาแบกบางคนนี่โอ้โหเดี๋ยวต่อไปเราจะแก่แล้วโอ้โหพุยตกกังวลพิกสูพานในปราถนาคำสรรเสริญที่ไม่เป็นจริง ความเด่นออกหน้าในหมู่ภิกษุความเป็นใหญ่ในอาวาสทั้งหลายและการบูชาในตระกูลคนอื่นเขาคิดว่าขอให้คนทั้งหลายทั้งพวกครือหัดและบรรพชิตจงสำคัญว่าสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็เพราะอาศัยเราคนเดียวขอให้ทั้งสองพวกนั้นจงอยู่ในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่ไม่ว่าอย่างใดอย่างใดคนพานก็มีความตําริดังนี้ ความริษยาก็ดีมาหน้าความถือตัวก็ดีก็จึงมีจึงพอกพูนขึ้นเออคนพานเป็นแบบนี้นะเราเป็นบ้างไหมเนี่ยที่บอกว่าปรารถนาคําสรรเสริญที่ไม่มีจริงอยากให้คนยกย่องเราอ่ะทั้งที่เราไม่ได้มีคุณสมบัติใดๆเราเช่นเราเป็นคนไม่ฉลาดแต่ให้คนอยากให้เขายกย่องว่าเราฉลาดอยากให้เขายกย่องว่าเราเป็นคนมีความสามารถอยากให้เขายกย่องว่าเราเป็นคนดีเป็นไหม พอจะเป็นก็เรียกเขาคนนี้เขาเรียกคนผ่าน <laughs> เป็นแม่ยานทานเคยเป็นไหมแบบนี้ไม่ชอ บ, ไ ม, ชอบอไม่ชอบเลยเนะี่ยความเด่นออกหน้านี่หมู่ภิกษุชอบไหมความเป็นใหญ่ในอาวัตทั้งหลายการบูชาในตระกูลคนอื่นๆก็ ค, คิดว่าขอให้คนทั้งหลายจงพวกกระหายเทวดาไม่คิดจงสมคัญว่าสิ่งทั้งหลายที่สำเร็จพวกเราเนี่ยความสามารถของเราคิดอย่างนี้ไหมโอ้เนี่ยวัดเนี่ยเทมเจริญก็งามเนี่เราทําทั้งนั้น ฝีมือของเราโอ้คนพานคิดแบบนี้เนาะเออท้างั้นคนพานน่าจะเยอะจริงนะใช่ไหมเออถ้ามองอย่างนี้น่าจะเยอะนี่เนะี่ยอยากได้รับการเคารพนี่นะโอ้หน้ากลัวจอิงอภการ่ะมาคือว่า สัตว์บรุษเนี่ยทั้งหลายย่อมไม่ติดทุกสถานที่เนาะไม่ติดทุกสถานสัตว์บุรุษไม่ปราศเพราะอยากได้กามไม่ได้พูดพรามพมพรา ม, ามที่พูดทั้งหมดแต่คืออยากได้บางคนเนี่ยพูดเหมือนไม่อยากได้นแต่อยากได้ก็เห็นอาจารย์ได้เค ย, เยพูดเฉียดไปก็เฉียดมาญาญิโยมทั้งหลายเนี่ยอาตมาเนี่ยเรียอะไรไม่เป็นเพวัดเรานี่ไม่เคยเรียอะไร เขาเห็นเองแล้วเขาก็มาทำเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่แร้วกติวิหารก็สุโซมไอ้ไม่ทำก็ไม่ได้ไก็จำเป็แต่าจาะมาไม่เรียอะไรไม่เป็นไอ้อย่างนี้คืออะไรเนี่ยงั้นจัดบุชท่านจะไม่พูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดนะคือบัณฑิตเนี่ยถูกสุขหรือทุกข์ ก็ตามมากระทบเข้าก็ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้ลงแปลว่าอะไรอ่ะเวลาสุกมากระทบปุ๊บชอบใจติดใจดีใจทุกมากระทบปุ๊บเครียดปฏิบัตาาิปุ๊บแล้วมีย่อมดา่าโอ้เครียดกินไปโอ้ใจเนี้ยเนี่ยพอยอมชมโอ้เดินยิ้มเนี่ยไอขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยบัณฑิตก็ไม่เป็นถ้าคนพานเป็น บัณฑิตไม่ทําชั่วเพราะเหตุแห่งตนหรือเหตุแห่งคนอื่นไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์รัฐและความสําเร็จแก่ตนโดยไม่ชอบทำบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาประกอบด้วยธรรมะผู้ใดเขาสการะก็ตามไม่สการะก็ตามย่อมมีสมาธิไม่หวั่นไหวเป็นอยู่โดยความไม่ประมาทผู้นั้นนะ่ะซึ่งมีปกติเพ่งพินิษฐ์ทำความเพียตรตลอดเวลาเห็นแจ้งด้วย ความเข้าไปเข้าใจอันสุขขมยินดีในความสิ้นอุปท า, านท่านเรียกว่าสัตว์บุรุษเนาะมันมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าเอออย่าดูถูกการนิ่งแบบอริยะอ่าอย่าดูถูกการนิ่งแบบอริยะเขานิ่งแบบไหนอ่ะนิ่งแบบไหนอ่าเขานิ่งด้วยการมนาสิ ก, การกรรมฐานใช่ไหมหรือตรึกในธรรมตะตลอดงั้นอย่าไปดูถูกนะ าการตรึกในกรรมฐานตลอดมนาสิการกรรมฐานก็ตลอดที่ก็นิ่งๆกันอยู่เนี่ยเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยสัจเป็นปัจจัยการสิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่อย่าดูถูกเด็ดขาดว่าไม่มีผลโอ้โหมีผลมากฉะนั้นการอยู่นิ่งๆดีไหมแต่ถ้านิ่งอย่างคนพานไม่จะนิ่งอย่างอริยะนี่นิ่งแล้วคิดเรื่องการไปทั่วมั่วไปหมดต้องระวังด้คนไข้น้ําย่อมไข้น้ําไปช่างสอนก็ย่อมดัดลูกศร ช่างถา ก, ก็ย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนนี่ก็ดูเปรียบเทียบเลยนะเวลาเ็าจะไขน้ำเอาเข้านาเอาเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆทำทำชลประทานไปใช้ประโยชน์เขาก็ททำหน้าที่ของเขาไปจำไว้แล้วช่างสอนเขาก็ดัดลูกสอนว่ามันตรงยังไงมันคดให้มันตรงคนถากไม้ก็กรถากเ่จะทำให้ไม้มันคดให้มันตรง บัณฑิตทําไงล่ะฝึกตอนเดงอย่างเดี้ฝึกพฤติกรรมที่ไม่มีศีลก็ทําศีลให้เกิดขึ้นฝึกจิตที่ไม่มีไม่เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิฝึกทัศนคความเห็นที่ไม่เป็นปัญญาให้เป็นปัญญาหงก็ดีนกกรเรียนก็ดีนกยูงก็ดีช้างก็ดีเนื้อฟานทั้งหลายก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นจ้วัดที่ร่างกายไม่ได้ชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นเด็กถ้ามีปัญญาก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้างโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตขนาดไหน ก็หาเป็นผู้ใหญ่ไม่<笑><笑>โอ้โหวัดกันตรงปัญญาเลยนะไม่ได้ไม่ได้วัดกันที่อยู่นานเนยไม่ได้วัดกันที่ผมงอกนี่วัดกันที่ปัญญาล้วนๆนะไม่ได้วัดที่สรีละ่ะโอ้โหเราอ้วนร่างกายเราแข็งแรงก็คเคยเห็นคนแข็งแรงแล้วงโง่ั้ยร่างกายแข็งแรงมากแต่งโง่นักเพาะกายโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ าฉลาดไม่ค่อยมีได้มากกูบึกบึนยางเดีย ว, ยวถึกยงเดีย ว, ยวแต่ปัญญาไม่ค่อยเจริญเนี่ยนะคนมีสุตตะน้อยเนี่ยย่อมแก่ไปเหมือนโคถึกข้อมูลน้อยเพราะโคก็ดีใช่ไหมวัวควายก็ดีเนี่ยมันเรียนรู้ไห ม, มเขาอยู่ด้วยสัญชาตญาณตลอดเขาจึงบอกว่าคนที่มีสุดตะน้อยข้อมูลน้อยก็เหมือนกัน ก็นนั่นแหละมันโคถึกเลยฟังกันเถอะย่ำแก่ไปเหมือนโคถึกเนื้อของเขาก็เจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่โหหนักนะคืออยู่ไปสักแด้ว่าอยู่ไปนี่แหละบำรุงแต่เนื้อหนังบำรุงแต่ตาหูจมูกเล่นกายบำรุงบำรุงบำรุงบำรุงไปแต่ปัญญาไม่เคยเจริญขึ้นมาเลยใช่ไหมเหมือนโคถึกแท้เนื้อเจริญแต่เนื้อมันขายไม่ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกโคไม่เหมือนกับหมู คนจะชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพียงพ่อมีผมหงอก็หาไม่ถึงวัยของเขาจังจังงอมแล้วก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมะมีอหิงสาความไม่เบียดเบียนมีความบังคับควบคุมตนมีการฝึกตนนะตนไม่มีศีลก็ฝึกให้มีศีลตนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตรามีปัญญาก็ฝึกนี่แหละผู้นั้นแหละเป็นปราดสลัดมณทินได้แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ได้โอ้ว่าแรงจัง ห่วงน้ำน้อยก็ไหลดังสนัน่นห่วงน้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นก็ดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นก็เงียบคนพานก็เหมือนกันน้ำมีน้ำครึ่งเดียวบัณฑิตก็เหมือนกันน้ำห่วงน้ำที่มันเต็มเออจริงๆนะคนพานชอบคุยโมโอโอวดใช่ไหมชอบคุยววโอโอวดความรู้ของตัวเองวามากอย่างนั้นเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ ผู้ใดเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างเคยได้ยินพุทธภาสิทธิไหมเออเป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็นับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนผู้ใดเป็นพานสําคัญตอนว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นแลเรียกว่าเป็นพานแท้ๆเลยเออจริงๆสัตว์บุรุษไม่มีในชุมชนใดชุมชนนั้นไม่เรียกว่าสภาผู้ใดไม่พูดเป็นธรรมผู้นั้นก็ไม่ใช่สัตว์บุรุษราคะโทสะโมหะ ละราคะโทสะโมหะได้แล้วผู้นั้นพูดเป็นธรรมจึงจะเป็นสัตว์บรุษเนียผู้ใดเป็นเีรชนคือคนมีปัญญาเป็นคนกตันยูกตะเวทีค้อผากรยาณมิตรมีความพักดีกระทํากิจของผู้ตกทุกข์ด้วยความตั้งใจครอบคนอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นสัตว์บรุษแล้ว น, นี่นี่ก็พูดถึงในเรื่องของสัตว์บรุษกรยานามิตรภิกษุทั้งหลายฐานาสี่ประการก็ ค, คือว่าฐานาหนึ่งที่ไม่น่าชอบใจที่จะทํา ทั้งเมื่อทําแล้วก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มีฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่ทําแต่เมื่อทําไปแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีฐานะหนึ่งซึ่งน่าชอบใจที่จะทําแต่เมื่อทําเข้าไปย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ก็มีฐานะซึ่งน่าชอบใจที่จะทําทั้งเมื่อทําแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ก็มีเออบรรดาฐานะเหล่านั้นฐานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทําทั้งเมื่อทําเข้าไปแล้วเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยฐานะ เช่นนี้จึงเห็นว่าพึงฐานะนี้เห็นได้ว่าไม่พึงนะไม่พึงกระทําโดยสองสถานะคือไม่พึงกระทําโดยสถานะซึ่งไม่น่าชอบใจที่จะทําและไม่พึงกระทําด้วยความหรือเมื่อทําเข้าไปแล้วจะเป็นไปไม่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนฐานะที่ไม่น่าชอบใจที่จะทําแต่เมื่อทําเข้าไปแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ฐานะนี้พึงเนี่ยพึงทราบนะพึงทราบนะว่าคนพาลและบัณฑิตได้ที่เรียก แรงความเพียรเนี่ยความบากบั่นของใครกล่าวคือว่าคนพานย่อมไม่ไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริงแต่ก็นั้นเมื่อทําแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ดังนั้นเขาก็ไม่กระทําฐานะนั้นเมื่อเขาไม่กระทําฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฐานะนี้ไม่น่าชอบใจที่จะทําก็จริงอยู่แต่กะน marathon, And, ั้นเน่ยเมื Your Your ่อทํำก็ไปแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาก็กระทำฐานะนั้นเมื่อเขาก็ทําแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงนี้เป็นต้น ฐานะที่น่าชอบใจที่จะทําแต่เมื่อทําทำกัไปแล้วจาเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แม้ในฐานะนี้ก็พึงทราบว่าคนพาลและบัณฑิตก็ได้ที่เรียลแรงความเพียรความบากบั่นของเขากล่าวคือคนพาลเนี่ยจมไม่พิจารณาเห็นว่าฐานะนี้ชอบใจก็จะทําก็จริงแต่เมื่อเขาทํำไปแล้วจะเป็นไปเพื่อเพื่อเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นเขาก็ก็ทําฐานะนั้น เมื่อเขากระทาฐานะนั้นก็เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ส่วนบัณฑิตพิจารณาบกคคลฐานะนี้น่าชอบใจที่จะทําก็จรงิงแต่ถึงกระนั้นเมื่อทําแล้วจะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เขาก็ไม่กระทําฐานะนั้นอย่างนี้ไปต้นเนินเนี่ยจนประการสุดท้ายฐานะที่น่าชอบใจด้วยเมื่อเขาทําแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยฐานะนี้เพิ่งเห็นว่าควรกระทําทั้งสองสถานคือควรกระทําด้วยสถานะที่น่าชอบใจที่จะทําและควรกระทําด้วยเมื่อทํเอ Chand าเข้าไปแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ คนที่เรียกว่าเป็นป่าดเป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุ ป, ประโยชน์ที่มุ่งหมายทั้งสงประการคือประโยชน์ณปัจจุบันและประโยชน์ภายภาคหน้าคือประโยชน์ที่ตาเห็นและเลยตาเห็นผู้ใดมีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจราาิยญญาผู้นั้นก็เป็นสัตว์รุษมีวิจารณญาณก็จับเอาสาระในโลกนี้ได้แก่ตกเข้าหาตัวเองได้สันภิกษุทธิ์ทั้งหลายอาศัยสัตว์บุษแล้วพึงหวังอนิสงส์สีประการนะเจริญด้วยศีลอย่างอริยะเจริญด้วยสมาธิอย่างอริยะเจริญด้วยปัญญาอย่างอริยะเจริญด้วยวิมุติอย่างอริย จะเป็นอย่างเงี้ยภิษสูตทั้งหลายบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในโลกก็ย่อมไม่คิดการเพ e ื arespace, ่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดก็ย่อมคิดแต่การอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตนเกื้อกูลคนอื่นและเกื้อกูลทั้งสองฝ่ายการคิดในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากนี้เป็นต้นนะเนี่ อันนี้ท่านกล่าวถึงและอย่างหนึ่งพูดถึงกัญยาณมิตรเมื่อวานนี้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วพูดในเรื่องของปิโยครุปภาวิยียวัตาวตาจวจนาขโมนปิโยแปลว่าอะไรน่ารักคำว่าน่ารักคืออะไรคำว่าน่ารักเอาอะไรเป็นเครื่องว่านะเอาอย่างท่านไนเนี่ยมีคุณสมบัติคาว่าปิโยไมน่ารักไหมมีไหม อะไรเป็นเครื่องวัดวันน่ารักเนี่ยเขาวัดกันที่ศีลเนี่ยมีตัวศีลเนี่ยเป็นคนน่ารักหรือไม่น่ารักก็คือว่ามันเข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิทสนมได้เพราะคนที่อมีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นอะไรเนี่ยสนิทสนมมีศีลมีเมตตาเป็นต้นเคารพ ก, กันคือหน้าเคารพ อันนี้หมายถึงประพฤติควรแก่ฐานะนะทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเป็นที่พึ่งได้เมื่อเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยภาวนิโยนี่น่าเจริญใจนี่ความรู้จริงด้วยทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริงฝึกฝนปรับปรุงตัวเองอ น, นี้ไม่ใช่ว่ามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยเป็นพวกฝึกเลยเป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่างทําให้สิทธ์เอ่อยอ้างแล้วล้ำลึกถึงด้วยความทราบซึ้งมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจมีไหมข้อนี้ภาวนิโยโอ้โหทุกด้านทั้งด้านพฤติกรรมก็น่าภูมิใจ ทังด้านจิตใจก็น่าภูมิใจทั้งด้านปัญญาก็น่าภูมิใจโอ้ยทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาน่าภูมิใจหมดเลยก็เลยภาวนาอยเนี่ยวัตตาก็คือรู้จักพูดให้ได้ผลคําว่ารู้จักพูดให้ได้ผลในวัตตาวัตตาสัท์นี้แปลว่าอะไรเนี่ยพูดเป็นน่ยยานทานหมายถึงคนพูดเป็นพูดเป็นในที่นั้นหมายถึงรู้จักชี้แจงให้เข้าใจเป็นคนพูดเรื่องยากให้ง่ายได้อะ บางคนพูดเรื least, ่องง่ายให้เข้าใจยากอันนี้ไม่มีวัตตาเคยเป็นไหมเคยสังเกตด้วยคนบางคนเนี่ยเรื่องง่ายๆไปพูดซะยากเรื่องยากก็ไม่ต้องพูดถึงยากใหญ่เลยหรือจะชี้แจงอะไรเนี่ยเข้าใจยากยากเคยเคยเคยเห็นไหมคนบางคนเนี่ยบอกให้ช่วยชี้แจงหน่อยที่เอ้ามันเรื่องมันเป็นมายังไรนี่คือกากๆอยู่นั่นแหละไม่มีวัตตาเลยเนี่ยคนบางคนเนี่ยพูดอะไรแนะนาตักเตือนปรึกษาพูดอะไรได้เข้าใจสรุปประเด็นอะไรที่ช วั จ, จนัคโมนี่ทนต่อถ้อยคำนะครับเนี่ยรับฟังคำปรึกษามีไหมอาจารย์ท่านมีคุณสมบัติก้อนนี้ไหมเช่นชี้มาบ่นจุกจิกจู้จี้ก็ะทนฟังยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสฟังแบบเรียบจิตสงบฟังด้วยความตั้งใจแม้เขาเกล่าวล่วงเกินบ้างเตือนบ้างวิพากวิจารต่างๆโอ้ทนฟังไม่เบือ่อนายไม่เสียอารมณ์ไม่น่าเสียิวเป็นไหข้อนี้มีไห เออดีนี่เป็นนี่คุณสวัสดิ์เจ้าว่าด้วยเนี่ยในได้ไหมข้อนี้วนจะนะขโมงทนทนต่อถ้อยคําถ้อยคําสรรเสริญก็ทนได้ถ้อยคําด่าก็ทนได้ถ้อยคําจุกจิกก็ทนได้นะคือยอมรับได้ฟังได้ท่าทีทางใจที่เขียนใจเขา ในนี้สำคัญมากนะคือมีท่าทีตั้งใจที่เห็นใจเขาวางตั้งใจเป็นเพื่อนฟังได้เลยว่าแต่พอได้เวโอกาสเวลาก็ชี้แจงได้วัตตาเนะี่ยวัตมีวัตตาด้วยคำพิรันจ์จากกระถังกระตานะีถแถลงเรื่องล้าลึกได้ด้วยนะีชี้แจงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้สอนสิทให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งยๆขึ้นไปก็ชัดเก่งมากเลยเดีนะ๋นี้ คัมภีรันจากกระถางกระถาคือสามารถปรบไอ้คำสอนที่ยากๆเนี่ยทำให้มันเข้าใจได้แล้วก็สามารถพัฒนาสติปัญญาของศิษย์ให้เข้าถึงสิ่งที่ล้ําลึกได้ด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรนยโนจัดฐานเนจนิยชเยไม่ชักนําในอาัถานะก็คือไม่จูงไปในทางเสื่อมเสียไม่ชวนไปทางเหลวไหลเนี่ยพุทธพจน์ตรงเนี้ยเป็นข้อวัดในคุณสมบัติของกัลยาณมิตรคุณสมบัติของกัลยาณมิตร อีกอย่างหนึ่งก็คือ6ประการด้วยนะประกอบด้วยธรรมะหนะสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นธรรมะ6ประการก็คือภิกษุเป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายชัดไหมตรงเนี้ยเราเป็นคนเข้าใจรวดเร็วไหมในกุศลธรรมทั้งหลาย2เป็นผู้ทรงจำธรรมที่ได้สดับมาแล้วฟังอะไรปุ๊บเม่จํา๊ปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บอ่านอะไรก็จําได้จําไ ด, ได้รวดเร็วมากเนะี่ยสเป็นผู้พิจารณาเนื้อความธรรมะที่ทรงจําไว้ไดเอามาใขข้อควรประการที่สเข้าใจความหมายอัตถะ เข้าใจหลักคือธรรมะดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมะถูกหลักด้วยเขาเรียกว่าพุทธธรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรมชัด5เป็นผู้มีวาจา ง, งามกล่าวกรรยา น, นพจน์ประกอบไปด้วยคําของชาวเมืองสระสลวยฉะฉานทาไม่รู้เนื้อความและจะแจ้งด้วยหก็เป็นผู้สามารถแสดงธรรมธรรมะชนิดที่ชี้ให้ชัดชวนให้ปฏิบัติเร้าให้กล้าแล้วก็ปลุกให้ร่าเริงได้โอตรงนี้ สามารถพูดอะไรนึ่งรู้สึกคนตื่นเต้นเลยคนตื่นเต้นนะพูดคนเกียรติค้าเนี่ยเขาขยันได้พูดคนคนที่ไม่มีศรัทธาทำให้เขามีศรัทธานะนะีคนที่หลงหลงหลืมสติพูดให้เขามีสติได้คนที่ฟุ้งซ่านพูดให้มีสมาธิได้คนที่ไม่มีปัญญาพูดให้มีปัญญาได้ไปต้นโอ้นี่ใช้เวลามานานเนี่ย ม, มีอะไรทำ อแล้วงั้นก็ยังไม่จบเอาไว้ต่อวันต่อไป